BOOK 2ูสามสิบสองที่ร้านอาหารสี่เดสท์รานเดย่อมขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่フรイドポテトケチャップ付き และมายองเนสสองที่มายองเนสที่และไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่มัสตาร์ดที่ย่างไส้กรคุณมีผักอะไรบ้างครับ野菜は何がありますかงครัคุณมีถั่วไหมครับมはあり่วかค คุณมีดอกกระหล่ำไหมครับคาริฟลาวาะมีไหมครับผมชอบทานข้าวโพดหวานผมชอบทานแตงกวาผมชอบทานมะเขือเทศトトคุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับ เนยิ่งโมสกสคุณชอบทานกระหล่ำปีดองด้วยใช่ไหมครับจาวากราฟต์โมสกิเคุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมครับเรนซ์มาเมโสกิเคุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมครับนินจิโมสกิสคุณชอบทานบ็อกเกอรี่ด้วยใช่ไหมครับ คุณชอบทานพลิกหวานด้วยใช่ไหมครับパプリカも好きですかสกเดผมไม่ชอบหัวหอมใหญ่ผมไม่ชอบมะกอกผมไม่ชอบเห็ด